จารณาความเป็นธาตุสี่นั้นใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นเลยการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะกายคือเราําหนดธาตุสี่ดินน้ําลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้นๆเมื่อจิตพิจรารณา ้าสี่ดินน้ำลมไฟระเหียบลงไปถึงขนาดที่ว่าจิตมองเห็นกายเนี่ยสลายตัวไปเป็นดิ น, นเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็หายาสาดสูญไปจิตยังเหลือแต่ความนิ่งว้างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุคือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับกุญญาณและธาตุและอาตาประธาต คามว่างเป็นอาตมาธาตุรู้ปรเป็นวิญญาณธาตุตอนนี้เราพิจารณานามนามก็คือตัวจิตที่รู้อยู่จิตรู้อยู่สภาพตัวก็เป็นนามถ้าหากใลขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผานก็มาเป็นเครื่องรู้ของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วตัตถุ <c oughs> พ็จะนั่งการพิจรารณาธาตุสี่เนี่ยถา้าโตเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจราจรณาเฉพาะดินน้ำลมไป้าพิจรารณาธาตุหกใช้คําว่าพิจรารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำลมไปอากาศวิญ ญ, ญ, ญาณถ้าทั้งหมดนี้มันมีหกในประธาตุดินน้ำลมไปดับไปแล้วอากาศประธาตุวิญญาณและธาตุมันหายไป ถ้าว่าอากาศไม่ใช่ลมเป็นช่องว่างในจิตไปตอนนี้ด้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นด้วความว่างเปล่าในตอนนี้ก็ถึงขั้นนี้แล้วรับภาวนาถ้าสติไม่ดีไปหลงความว่างจะกลายเป็นโอภาษนิมิตเป็นวิปัสสุปะกิเลสท่านให้กาหนดรู้ลงที่จิตตัวกูรู้ ถ้าตั้หลดจตัวโรโลได้อย่างแน่แน่จะไม่หลงความสว่างหรืออากาศปาะทัดกัน <c oughs> ในปัญหาข้อที่สอง <c oughs> ในการพิจารณาอรุภะในขณะอุปจารสมาธิในเมธีปลาตดถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเอง จะได้ผลต้องการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณาสุขภาพสมถ า, านเราเกิดภาพนิมิตขึ้นมามองเห็นคนตายหรือสัตวตายอยู่ต่อหน้าแล้วร่างอันนั้นมันก็เคลื่อนเอิดเ น, น่าเปื่อยสุกทางไปตามธรรมชาติตรงนันในที่สุดต้องสลายตัวก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งทําให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี่นะเมื่อ แในตอนแรกๆนี่เจ็บทองเราอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะมองเห็นนิมิตภายนอกตัวของเราแต่มเมื่อเจ็บโลภะนิมิตข้างนอกโล่งตึงเห็นจริงแล้วจิบจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปรียบกับตัวเองใกล้ใกล้ก็ว่าสิ่งนั้นมันก็โดดเข้ามาในตัวเรานี่ยนี่ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ เมือนกับสิ่งนั้นกระโดดพับก็ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไปพอหายไปเราจิบเปลื่ยนสภาพแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วจะไปตองแสงสว่างลงมาดูกายแล้วก็จะมองเห็นกายนี่เน่าเปือยผุพังไปตามขั้นตอ น, อ น, นทั้งหมจนถึงขนาดว่ากระโดดแหลกละเอียดเป็นฝุ่นแล้วก็าหายไปในพื้นดินลงผลนุดท้ายพื้นดินก็าหายไปหมด ยังหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นในโลกนี้มีจิตของเราดวงเดียวซึ่ขอันนี้จิตมันับปฏิวัติตัวของมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นก็ห้สัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนในเรื่องวิปัสสนาธรรมาฐานก็เหมือนกันในเมื่อจิตมาพิจารณาอุปจารรมาฐานเนี่ยในขั้น สมถะสมถานนี่จิตมันจะโลดเห็นอรสุภาในมิตรหน้อย่างชัดเจนและการที่จะละลาสุภาสมฐานนี้เองในเมื่อจิตาามีพลังแกล้าขึ้นมันจะําเราเอาเรื่องของอสุภาเนี่ยไปเป็นภูมิปัจจนากรรมฐานเพร า, ศ า, ศ า, ศาะถ้าสมมติว่า <c oughs> มันเห็นในมิตร ข, ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนิมิตรนั้นชัด เห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นเครื่องอื่นมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็เนื้อหลังผุพังไปกะโหลกสลายตัวไปถ้าจิตมันรู้อยู่เพียงแค่นี้มันเป็นภูมิของสมถะสมถา ร, ร, ร, รแต่ถ้าจิตมันไปกำหนดหมายว่าร่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนมันไม่ขาบอปรากฏดกันแล้วก็สลายตัวไป ถ้ามันกาหนดอย่างนี้มันก็ตายเป็นวิปัสนาธรรมาฐานในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แล้วเมื่อจิตสงบลงไปแล้วขอให้มีเครื่องโล่เครื่อง s h i น l ของจิตให้จดบต้องโลอยู่อย่างนั้นไอเรื่องนิมิตนี่มันจะเป็นนิ่งอยู่ในสภาพเดอมตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็ต้องหายไปถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ต้องหายไป บางทีนิมิตใหม่เขาเกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่าอ่า ในการพิจารณาอุภหะในขณะอุปจารสมาธินิมิตปลาโปรดเคลื่นหาไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจารณาเข้ากับพิจารณาตายของตัวเองหรือไม่อันนี้ทำตอ่อเท่าเข้ากันกับพิจารณาตายของตัเองเพราะจิตเันโลกซึงในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิตายให้ฟังที่ได้สำหรับแทบ ที่เคยเห็นซ่าศพจนเกิดความเคยชิงใ น, นการพิจารณาจะเกิดความหดหู่ใจได้ท่ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิตบางทีในแท่ที่ได้ศึกษาเรื่องตริดาวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยตอนั่งหลักตารพับลงไปก็เห็น ถ้าเราเคยทํำก็จนชินํานานแล้วถ้าหากจะเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามาแล้วล่ะไ่ต้องมาว่าตามลําดับผมคนเริ่มสั่นหลังเนื้อยอ็นกระดุกบางท่านอาจจะผูกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะผูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาโส่วต่างๆ่วนใดส่วนหนึ่งไปวิจัยสนละชิ้นส่ว ไปใน ค, ความตำนานในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นมาพิจรารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้ําเลิกกามสัญญาที่เราเคยเรียนเคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละเป็นแนวทางก่อนแล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าทิศมันจะเกิดความสงบขึ้นมาแล้วเมื่อมันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละก็าอาศัยความรู้สัญญาเป็นมูลฐานอยู่แล้ว มันจะปฏิวัติภูมิความรู้ไปรู้เห็นหมดทั่วทั้งกายถ้าสามารถเช่งพิจรารณาในภายในนี้ได้เนี่ยสามารถเช่งกูหัวใจต่อตัดอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งใจสงบเป็นกรมารที่เกิดนิมิตขึ้นมานล็ถึงหัวใจเห็นหัวใจนึกถึงต่อเห้นต่อเล็ถึงตัดเห็นตัดนล็ ถ, น ถ, นถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ภ่ายหลังมา เมื่อท่านตรวจโลกถ้าหากสามารถเข้าสมาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตเห่งลงไปสมมื่ว่าเขาเป็นอะไรที่ตอบกำหนดจิตเห่งลงไปพอจิตสว่างแล้วจะมองเห็นไข่ในตอบของคนไข้แน่นอว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ครูบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่อาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโลกตัวเอง สมัยที่เป็นวาระโลกเนี่ยท่านสมาธิเท่งดูฟอบของตัวเองแล้วมันจะเห็นแผลอยู่ขัวฟอบเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปใช้เอสเทเลสไเอเอสเทเแล้วมันก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจุดโตขนาดเหลียเสลึงอยู่ตรงขั่วฟอดสองอันตามภาพจริงที่มองเห็น าการตอบปัญหาอนนี้ประยุติเพียงแคนนี้ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายประยุติให้เห็นเป็นเป็นพระไตร ล, ลักษ์หรือเป็นธาตุีิหรือว่ากำลังเดินในอริยมรรคหรื อ, อย่างการพิจารณานี่ปริกรรมภาวนาก็ดีการพิจรารณาก็ดีพิจรารณาธาตุตก็ดีพิจารณาพระไตรลักษ์ก็ดี เป็นการเดินอริยมรรคเป็นการปรับกรุงปฏิปท า, าข้อปฏิบัติเดินในแนวทางสองอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปรับกรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งเต็มสมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสามารถปฏิวัต จิตให้โผล่ภูมิลู้ภูมิธรรมได้อันนี้เรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี่มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิหนึ่งโดยไม่ไว้ติงเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเที่ยงจะมีพลังคือมีกําลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในในสภาพปกติแต่ยังใช้สารไม่ได้ ที่นี้ถ้าอาริยมรรคนี้มีพลังพ้อมสติพละตัวนั้นกลายเป็นสตินตีเมื่อสติตัวนี้เป็นสตินตีเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้และสามารถที่จะประคองตัวอยู่ในสภาพเป็นหนึ่งตลอดเวลาแม้ประสบกับอารมณ์อะไรจิตจะไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นและ ความรู้จิตในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรจักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้ก็ลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดที่นี้ในเมื่อ เจตมีความรู้อยู่อย่างนี้ถ้าหากมันจ้องดูแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่รู้รู้อยู่จะเป็นเกิดดับเกิดดับก็ตามจะรู้ถัวว่าภายในจิตนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันจ้องดูอยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันออกมาเฉยๆออกมาอย่างไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นอันนี้เจตอยู่ในข่านสมถะสมถาน ต้องปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับบ่อยๆเข้าทีนี้เลยเมื่อจิตมีสิ่งรู้เกิดเกิดดับเกิดดับจิตตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาแจกระล้าขึ้นมาความรู้ติดนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่คภูมแห่งพระไตรลักษณ์มันจะกำหนดรู้ความเกิดดับเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพักเกิดความคิดขึ้นมา มันจะเกิดความรู้กันมาบอกอ๋อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นพวกเป็นอนัตตาอย่างนี้หรอนี่จึงจะเกิดเจริญเลือดเลือดว่าภูมิปพจจานามันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะเลืกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นพกุกอันนี้เป็นอนาตาอัตานนนาตานลือกนตลอดวันยั่งยำและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นพุกเป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันยั่งยำ แต่จิตของเรายังไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงคือยังไม่ยอมรับสภาพสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้จะเห็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็าตามจิตยังไม่ถึงขัน้นวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งจิตรู้อะไรหายสงสัยในสิ่งนั้นเช่นเห็นไฟนี่ผู้แสงสวา่าง ทีนี้ไอการคำหวดสมถ า, าวิปัสนาเนี่ย จ, จะมาขอตำรวดเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้วิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงอเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่อนอย่างเราตำหวดจิตทำสมาธิลงไปนิ่งครับความนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะรู้ว่าจิตเป็นสมาธิคือวิปัสนา เพราเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรพราะฉะนั้นการกําหนดวิปัสสนาเนี่เราควรจะกําหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อเข้องใจให้ตกไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอันนี้คือวิปัสสนาความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไรก็าตามแต่ถ้าจิตยังไม่สัดสินวิปัสสนาไม่เกิด เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอยาไปเอาความรู้ความเห็นเป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่เห็นเป็นนิมิตเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นแตเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้ทําสติตัวรู้เป็นตัวสําคัญหาไปหลงเอาความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาเป็นภูมิธรรมที่เราต้องยึดเอาเป็นสาระแล้วเราจะไม่พบของจริง มันจะไปหลงความหลงในมิตข้อที่สองจิตที่เป็นถีติโูตังเป็นโลภุตตะจิตหรือยังขัานมากหผลอปดิีตภูตัตง สีติดแปลว่าตั้งอยู่คู่ตั้งแปลว่าความเป็นเจตีผ่านการพิจารณาสมถัครรมาฐานก็ดีวิปัสสนาสมมาฐานก็ดีในเมื่อเิตโนแจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีลักษณะนิ่งเดินอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกเิตก็นิ่งเดินอยู่เฉยๆ ความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่าถีติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือภูต่างถ้าพูดถึงว่าโภมความรู้ขั้นนี้ถึงขั้นโลกรุตระจิตหรืออย่างถึงทั้งโลกรุตระจิต ถึงทั้งโลกียาจิตโภมความโลนี่เราสามารถที่จะโลได้จนกระทั่งถึงโภมของพระอรหันต์โลกีโลกตละท่านกาหนดเอาความเป็นของจิตจิตโลแล้วเช่นอย่างว่าจิตู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกดิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านัญญาโกลทัญญาโลทัศ ในโมโลเมื่อโลแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยชน์ได้ในเมื่อตัดสังโยชน์ได้โทมจิตก็ขึ้นสู่โลกุตระแต่โทมโลเนี่ยโทมโลเนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตระแต่ความเป็นนี่เรากําหน ด, ดเอาความเป็นของจิตเป็นสำคัญลักษณะากานที่สู่ความเป็นโดยต่ดาบันนั้นหนึ่ง มีความรักตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเราตงมีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ทอถอยรักฟร้งเมตตของผู้ส Hit ูกจะไปสร้างได้ถ้าผู้กิดจะสร้างได้ผู้ถูกก็สร้างได้ไม่ขักข้านถ้าทัดข้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าสตายาวที่ติดหาปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตน เป็นสกายะทิฏิใครจะนั่งใครพูดป่าสั่งได้ผู้ผิดเทโสดาบันทิจารณา อ, อเองแล้วเก็บไว้ในจิตอัแตนแล้วข้อที่สามในการเจริญสมาธิถ้าหากไม่พิจรารณาไตรรัต์และความเป็นธาตุสี่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นผีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปณิสัยอัตมาขอสาส ท่านหนึ่งไว้ให้ท่านต้องหลายที่สูเตเทนฐานะที่ท่า น, นเป็นหมออย่างเวลาคนถูกวางยาสลบเนี่พอเขาฟื้นขึ้นมาแล้วขอได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชต่อมาที่สูตรแล้วได้ได้มาสามอย่างอย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้ ม, มืดมิดไม่รู้อะไรอย่างที่สอง เมื่อสลบลงไปแล้วจิตออกจากล่างไปลอยดดินอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่สามพอสลบลงไปแล้วจิตลอยออกจากล่างไปลอยดินอยู่ย้อนมองมาดูกายที่หมอทำอะไรอยู่นั้นรู้เห็นหมดในที่สุดมองเห็นร่างของตัวเองเป็นโครงกระดูกเพราะฉะนั้นการที่จะจเริญนเออเนี่ย การเจริญสมาธิหากไม่พิจารณาพระใจรักณหรือความเป็นธาตุสี่ก่อนจะจะข้ามเกิดปัญญาเป็นสีติภูตังไรหรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยบางท่านพอภาวนาพุพ้โธผู้โธผู้โตจิตสงบลงไปแค่อุปจาระสมาธิแล้วก็เดินนิพพสนาไปโคตรเลยไม่ต้องลําบากท่านโูนั้นมีอุปนิสัยแต่ถ้าหากว่าขัาน้นโูใดภาวนาทีไรแล้จิตเป็นนิ่งอยู่เฉย ไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆและมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดต้นจิตหดหูอันนี้ให้พิจรารณากายจักระตะ ต, ะติหรือธาตุสี่เพื่อเป็นการปลุกจิตให้มีกำลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจรารณาธาตุสี่ไปได้ไปเกิดปัญญาอย่างละเอียดขั้นสีติปูตังนานๆเข้าจิตมันจะอ่อนกาลังลยนะ แล้วเมื่อจิตมันอ่อนกำลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้กลายมปนจิตหกหูต้องย้อนมาพิจรารณาภาคสี่อีกเพราะฐานที่ตั้งสตินี่คือตายเป็นประการสำคัญที่สุดเวทนาจิตทำเป็นนามธรรมาถ้าจิตไปรู้แต่นามเร่ไปเร่ไปเร่ไปไม่ได้กล่าวถึงโลกพลังของจิตมันจะลดกําลังลงในที่สุดสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะเสือ่อม จึงจําเป็นต้องถ้าสังเกตตัวว่าจิตมันมันไม่ค่อยเดินหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือมันเปลักษณะหดูุต้องย้อนกลับมาพิจรารณากายทันทีโดยการพิจารณาอสุภะก็ได้พิจรารณาธาตุสี่ก็ได้แต่ถ้ า, าว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกำหนดตูนามแล้วควรจะย้อนมาพิจรารณาธาตุสีเพราะการพิจรารณาธาตุสีเนี่ยมันทําให้จิต โลเห็นความสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นโลนามธรรมาคือโลกายทัานแจ้งแล้วกายหายไปแล้วก็จิตมันก็ูลแต่นาำธรรมก็เกิดแบบเกิดดับอันนี้แล้วแต่อุปนิสัย <c oughs> ถ้าหากว่าท่านผูใน้ใดพอเริ่มภาวนาแล้วสติปัญญามันเกิดในขั้นวิปัสสนาก็ปล่อยใมันไป ไม่ต้องย้อนมาเล่นสมถาอีกวันนี้แต่ว่าพลังจิตมันค่อยเสื่อมลงล่จงค่อยค่อยย้อนมาเล่นมาพิจารณาวัตถุอีกทีปัญหาต่อไปผูที่เคยจนเบืโอตาบันรือสกัดธาต า, า, า, ามีมาแล้วในชาติก่อนเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอรยิยะแต่เดิมจะลาบดขึ้นเมดับอ่า โดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปรากฏตั้งแต่บรรโลกโสดาสกาิทาทาไปจนกระทั่งจิตนี่ละร่างนี้ไปกระภาพจิตก็ยังเป็นะโสดาสกิทาทาอยู่เฉพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั้นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบ เหตุการ์ต่างๆแล้วภูมความรู้ของประโสดาส ก, กิทาตาจึงจะไขบางตึกสิแต่นิสัยสัญชาตญาณแห่งการไม่คาบาปพอเกิดไปแล้วพอรู้เดียงสาทุไปแเรารู้จักคำว่าบาปทันทีก็ประโสดาส ก, กิทาชาเป็นโลกรัตรละธรรมย่อมไม่มีสื่อมตัว ท, ที่สำเร็จปัโสดาบันแล้วนี่ ถ้ายังไม่สําเร็จอราหันในชาติท่านตายไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่งสําเร็จอราหารันบางท่านมาเกิดอีกสามครั้งสําเร็จอราหารันแต่บางท่านเกิดอย่างมากไม่เกินเจ็ดครั้งสําเร็จพระอราหารันในลักษณะของพะโสดาบันเป็นอย่างนี้โลกุณละธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นพระโสดาบันแม้เกิดอีกเข้าไรกี่ชาติกี่ครัุ้ณละธรรมมันนั้นไม่เสื่อม แต่อาการที่แสดงออกนี่มันผดเข้าไปอยู่ในจิตตัวสุลในเมื่อมาได้ยินไดกฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะุดขึ้นมาแล้วกสดงอาการรู้ออกมาทังทีอันนี้ก็จะให้ได้ความทัดที่ว่าความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากดขึ้นเมื่อใด เราจะทราบได้อย่างไรอันนี้ลากุขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มโลดเดียงสาขึ้นมารับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปลาบุตแต่สภาวะความเป็นพุทธะผู้รู้ลนผูกขั้นประโสดานี่ไปรู้จักเถิผู้ที่เคยเป็นโสดาบันในชาติตอนชาเกิดใหม่ เป็นเดียวรัศฐานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่อันนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดียวรัศนี่ดูมันไม่มีในตำรามีแต่ไปเกิดเป็นยักษ์มีแอบเกิดเป็นยักษ์มีแต่ว่าตามละเอียดมันไม่ได้จดจําทีนี้ถ้าหากว่า อธรรมชาติาของผู้นั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อถ้าหาสมมติว่าปฏิบัติมาโดยไม่ได้กินเนื้อแล้วก็เป็นโรคภูมิธรรมภูมธรรมลนั้นก็ยังสัตว์หล่นไม่ให้กินเนื้ออยู่แน่ถ้าเปิดปัดกินเนื้อปัดมีชีวิตจะมีวิบากรรม ให้เสื่อมจากการเป็นอริยะหรือไม่ในเมื่อถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีทางสื่การกินเนื้อไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติทําเตือนจากคุ ณ, ณธรรมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์นี่เป็นการส่งเสริมปานาติบาหรือไม่ ทีนี้ถ้าเราจะาพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของของมนุษย์ในการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่มีมาแต่ก่อนเราพ็ได้เจ้าเสดแล้วปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าใครสงสัยว่ารับฐานเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมปานาธิปัดเขินรับทานลงไปเป็นแบบแต่ถ้าใครไม่สงสัยว่าเชิญรับฐานแต อามีหลักการวิสูตรจะต้องอาบัตหนึ่งสงหนึ่งต้องอาบัตข้อแรกข้อแรกต้องอาบัตประการที่สง ส, งสงใสแล้วเสืนทมทลงก็ต้องอาบัตแช่อย่างสมมติว่าเขาทํากับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงใสว่าเขาแกงเนื้อมารดมาให้เราฉันทั้งต้องมีสงใสยอยู่แน่นเลย พอฉันลงไปแล้วก็ต้องอาบัดทุกบอันนี้เรากว่าสงสัยแล้วขืนทำลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่นอย่าไปสงสัยถ้าเราเกิดแลวแวงสงสัย อ, อยู่แล้วเราจะไม่พบความจรงิงเพราะฉะนั้นตัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้กับ อ, อีกอก่งหนึ่งเราพอจะว่าพระพุทธเจ้าเทิดว่า ให้ละความชั่วประพฤติความดีจะได้การละความชั่วนี้การละความชั่วตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อคําสั่งนี้เป็นคําสั่งการละความชั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความชั่วที่จะพึงละได้ด้วยความตั้งใจ สำหรับคารุษาท์ทั่วไปมีศีลห้าข้อแต่ใจะละ ก, กิเลสโดยการตั้งใจให้ละตามหลักของศีลห้าข้อปฏิบัติศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้จุเวลาตามชั่วอย่างเด็ขดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจข่านสอนให้ทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้ว เพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติตามดีเรียกว่าเป็นตามดีทีนี้ทำปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเมื่อเกิดแล้วทำให้รู้ปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสุนาา ก, กนี้มาจากเหตุอะไรทุกนี้มาจากเหตุอะไรแล้วทำอย่างไรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้ นอกจากจะทำศีลสมาธิปัญญาให้ประชุมพร้อมเป็นอริยมรรคจนกระทั่งจิตเปลี่ยนสภาพเช่นอย่างจะละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในเมื่อเราทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิธทำปัญญาให้เกิดเคลนมุ่งตรงต่อสัมมาทิฏฐิในเมื่อสามอย่างนี้ประชุมพร้อมกันลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นเจตสิกอยู่ในจิต เมื่อจิตเอาใสคุณธรรมกุิลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคนี้จิตจะย่อมรู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย